<c oughs> ท่านพระครูอโศกรามและลูกศิษย์ท่านอาจารย์แดงพร้อมกับลูกศรริษย์มาขอธรรมะยอดของธรรมพระอาจารย์ตื้จะขอก่าวไว้เป็นพุทธบูช า, าทั่วประเทศไทยครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต ตัวสมาสบุษขาผุดทังสระนังขัชฌาอามิธรรมสระนังขัชฌาอามิสั้างขังสระนังขัชฌามิทูกยามปีผุดทางสระนังขัชฌาอามิถูก ติยามปีธรรมังสรนังคชาอามิถิยามสร้างขังสรนังคชาามิตาิยามปีุทางสรนังคชาามิตาิยามปีธรรมังสรนังคชาามิติามปีสร้างขังสรนังคชาามิเอตังพุทธนาซานานตติเขาลืมเขา วะปะอะปะาวะ่าลมตะไฟอะน้ำปะปปทวิญนี่ล่ะลมหาพ่อหาแม่บม่ได้ ไฟหาพ่อหาแม่บไรีเมื่อล้มเกิดขึ้นแล้วเกิดดวงไฟเรียกพระอาทิตย์ลอดขึ้นอาโปธาตเซลนำ้ำปะทิง้งไปธาตแผ่นดินเท่าจอมก้อยต้นไม่น้อยเท่าเส้นขนแม่พระพุทธเจ้ายังไม่มีอาวุธตีไม่ตั้งเขาพัทุมิน ไม่คือดินและน้ำห็นก้อนก็ บ, บมีไม่แต่อากาศก้อนไม่ไม่อาจาัชงขนะวาโยเจ้าท่าธรรมะแจงวายโยเป็นภาษาเจ้าปู่เจ้าตาพระธรรมคำจากสอนพุริเจ้านี่พระธรรมกับลมก็ดูเดียวกัน รวมประชกรด้วยกันก น, นี่แหละตั้งแผ่นดินขึ้นร้อยปีไม่ใหญ่แม่น้อยพระอาทิตย์ร้อยปีไม่ใหญ่แม่น้อยพระอาจารย์ร้อยปีไม่ใหญ่แม่น้อยนั่นเขาสะตะบรุรพัญผ์บังจนพระอาทิตย์ออกมาได้ถ้าไม่มีเขาบางัง พระอาทิตย์มาไปตายเบิดเบือเบิดนี่แหละมีสองเทพสมโพธิไทยปุพะที่สองไปก็มาไปก็มาอันนี้ล่ะพระอาทิตย์ผู้ชายพระจัน์แม่งยิ่งแสงพระอาทิตย์สองดาวลับเกิดดาวขึ้นเต็มฟ้า พระอาทิตย์ข่อยเสียกพระจันทร์หมอนเกิดลูกเป็นดาวให้รู้อย่างนี้สิชาติไทยของเรานี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าอายุห0สิบพระราชบุตรรงเ3้าเามพระองค์จังเ บ, บ็ดบุญพุ่นนั่นถ้าเบ่เอาขวอยเสี่หีก็เกิดมาได้ พระอาทิตย์สี่พระจัน์จะออกเป็นดาวนั่นนอกกว่านั้นเ็กพระเจ้าไกเซอร์เมียเข้าได้เก้าคนผู้ชายแปดรวมมดสี่ร้อยคนจังมดบุญนี่ละให้รู้จักอย่างนี้วันอาทิตย์หมายพระอาทิตย์วันจันทร์หมายพระจันทร์วันอังคารราหู ชนพัทิปจันทร์วันพุธแทนเด่นวันพลัหงาจชนไมวันสนนุขมนุษย์วันเสาดีรสาสนั่นอันนี้พูดตามสัญลกสัญญาธรรมนะวันทิษตาวันจันหูอังคารดังพุธปากพลังงานแข็งสุขสลังเสาข้าคำนี่ ตัวทำอันนั้นว่าตามสัญญาคติไม่ซักเกิดขึ้นไม่ไผ่เกิดขึ้นเท่าซักกนูนมะยาพอเท่าเกิดจากไม่ซักไม่ใช่เข้าหีแม่นะไม่ไผ่เกิดขึ้นยายก็เกิดจะไม่ไผ่นะหันนี้เกิดจากไม่ไัย อย่างพวกวันนี้กไม่โกงเกิดเป็นดว้วงไม่พอกุญแงอย่างนี้ละนี่ละท่าซักโกเกิดขึ้นเสืเดียนออกจากต้นไม้สักเดินไป2ี่เปีจังเห็นกันคุณย้ายคึอเหมือนกันนี่ละมาเห็นกันแล้วจะเป็นคู่กัน ทพระพุทธเจ้าเด้ย่ยพทัตากรรมขวาพระพุทธเจ้าทำ ม, มังหูพระธรรมสร้างคัูดังพระสงฆ์นมันเกิดจากต้นไม้พวก น, นั้นทกีพุทรตากรรมายมีพระพุทธเจ้าทกทีกยมปสมังหูกรรมายเป็นธรรมทกทีทกยมเสังคั จมูกก็สาสเป็นสงตาที่เป็นพุทธสังปากเป็นผู้ทีเจ้าตาที่ยำปีสมังเลีนเป็นพระธรรมตาที่มัในเลี้ยงไก่กดจากไม้สักเนาะนั่นคนยายเกิดจากไม้ภยัยหี้งหน่ยังออกมาถ้าบาุาจชายเนี่ยมันไม่รู้นะมีแล้วนะ ม, วนะมันมามีมาจากต้นไม้ฝน มาเกิดจากหีนี่เมื่อวานนี่บุรินะยี่สิบปีเป็นภาษาไทยภาษาเราอะสาวปีเต็มโสดรักกันชอบกันเหมือนนังทุกวันนี่ละเลยเป็นผัวเป็นเมียกันเบราว่าอะไรยึดหีกันไปสอนควายมันกันงัวมันกันละ คนมือนกัน่ะใหญ่แล้วก็ไม่เห็ดยัดตูดกันเป็นนี่ป่าก็เหมือนกันนะบ่ได้สอนนะอันหนึ่งได้สอนนี่ละ่ะเมื่อเสวยสุขแล้วลูกเกิดคู่ปีส้วนายหนูเอ้ยหนูคล อ, อดออกมาแข็งแรงเลย คุพ่อก็เลียเอาลูกผู้ชายอย่างงัวนี่คุณแม่ก็เลียเอาลูกผู้หญิงนั่นนี่ล่ะไม่อีทปีสลูไอ้งัวอื่องงวัวนี่เลี้ยเอาอย่างเดียวโล้ลูกผู้ชายกับพ่อเลียแม่ยิงก็แม่เลียนั่นเปียขาบเหมือนกันชู้อ่ะยิงกับสายสลูกับยิงกับสาย ขานหิงกับใส่ทาะหิงกับใส่มาลงุงหิงกับใส่มาเสมงิงกับใส่มาเมียมายิงกับใายมาแม่แพะหิงกับซส่ลักาไก่ยิงกับใส่วอกเลากากี้ยงิกับใ ส, บส่จอหมายิงกับใส่โอนหมูนั่นลูกคนพอ่อเซฟสองคนนี่ไข่เสียกนะ ลูกคุณแม่เิบสองหีไใหญ่นะเยือกกันมาจนถึงทุกงวันนี้ใครจะเทศ่ยไม่มีหรอกนี่ลกตาจาักตั้งให้นี่แหละโซโลสกูกันห้าส่วนค น, นยังกินเด็ดอยู่กินข้าวกินเด็ดกินปลากินเด็ดมาถึงหกั่วคนแล้วมีปัญญาจะกินข้าวก็กินไฟเอาไฟมก ฟ้าก็ดีเช่นก็ดีนะน่ะแจ็เก่ากินดิบอย่างบัวอย่างควายตัวย่างงูครับมันกินดิบน่ะลูกมันเกิดอย่างไรควายม้านะนั่นอันนั้นกำเนิดเขับพีทิมนี่แหละเมื่อกินสุกแล้วลูกกระดูกอ่อนเมื่อลูกโดนเกิดมาแห้งในปัญญาปญัญญาฉลาดเอาไม้ไผ่มาสาร จักตอกลายคัดลายสองลายสามจเจริญขึ้นบัดส่วนคุณนายก็เหมือนกันนะเอาไฟมาซักสารลายคัดลายสองจเจริญขึ้นจนเป็นหลาเป็นฟิลมนี่มันเป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่นิว่ณ น, นะคันจะพูดย่อกนะพาวิตปฏิแสนปีเต็มบัดคนเวทซูกับแสนปี สามแสนเต็มไปลูกบดบดุดน่นกกูสันโชเต็มไปด้วยคนอุณคมกษัตริยโคตรมานี่อย่างนี้ละ่ะแต่พระพุทธเจ้าที่เกิดก่อนนั้นนิพพานไปเม็ดหินเม็ดไฟในสีสมุดสู้พระเจ้านี่ผ่านไปไรนี่ละ่ะมันเป็นมาอย่างนี้ละ่ะถ้าในสมัยกาลนั้น พทธิเจ้าของเราออกบวชซูมิธาตุสีมีเ5 0พันห้าร้อยพระเจ้าทิปังกรบางเกิดขึ้นมากราบไหวพระเจ้าทิปังกรนี่สามพระองค์นั่นพระเจ้าห้าก็มีหกก็มีเจก็มีสองก็มีนั่นนี่ล่ละ แล้วก็มาสร้างพุดธีน้ำบอ่อต่อสาลูพระเจ้าในมนพระพุทธเจ้าปังก่อนขึ้นข้ารากุดีพระพุทธเจ้าไต่หลังขึ้นว่าพันเตภะคะวาขเดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าลัทธิถวายคํารากุดีนบ้บ่อพุทธโธโหมิ ค่าปาถนายจางทุเจ้าจะได้เป็นหรือพระองค์กรยเซยอยู่อีนายคนหนึ่งดำดำนั่นเอาดอกไม้มาถวายซม่งมจพราศีดอกบัวดอกนึ่งขอพระรศีถวายพระเจ้าดอกนึ่งขอถวายพระรศีท่านบอกเกี่ยวกรรับเซยอยู่นะ เจ้าทิเกรอัสติหัสติไปบ่งหัวนั้นหัวอะไรหัวขวัญฤาษีถ้าบ่เอาดอกบัวนี่มันจ้เป็นภูติเจ้าจากนั้นรับเอาดอกบัวดอกหนึ่งถวายพระเจ้าทิเบตกรนดอกหนึ่ ง, งเสนอไว้พระเจ้าปางกรทํทำนายว่าพโวโจรมนไปภายหน้า เก้าเอสกับเจงจะได้เป็นผูธ้ธิเจ้าใส่โคจมะาองหนึ่งนานนักดีนกดีใจฮันนี้เมื่อลาศีตายไปเข้าหีนกนุงกันดนาโพโทส ม, มุนมันบูรูษจักนั่นไปเข้าหีนกนุงเสงเหียนกนุงนี่เมืองพลานะศีเมืองบ่อนี่นั่น ตั้โอเทินจางย่างจ้าขมไอ้กรสาสก็ตั้งอันนี้ค่ะเมือไทยนี่ค่ไปไว้เมือแขกวัดพระเจ้าน้ามองอ น, นั่นละเปิดกนั้นไปเข้าหิรุกุงเซนเมื่อเข้าหิรุยุงแล้วพระยาเจษส ม, มืองจับไปได้เขาจังไว้เดือนนกยุงตัวนี้ถ้าผู้ใดได้กินได้คำวันละหมืน่น เขาจับหมได้มีธรรมมนุษย์มาจังรู้จักเฮ้ยไม่ยากหรอกจริงไปซอกเอาไข่นกงุงมาให้ไก่ฟักตเติบเป็นนกยุงตัวแม่นะเอาไปตั้งคันี้เจียวคาถานกยุงตัวแม่ญาตาโนสารเดออนัออาานติตัวผัวญาติหนุ่มผัวตัวญาติคันนี้นเะมื่อนกงุงตัวแม่มาไปห้อง เมื่อท่านจะไปหาอาหารนามาทูโพท่านังนามาทูโพเทยียนานามาทูโผทานังข้าก็อพระพธิเจ้าองค ม, ม, มนคุณนามาทูโผเทยนาข้าก็อพระโพธิญาณงค์นึงนั่นเมื่อนกอยุตงตัวเมียหองบริตั้งบ่วงยะขานี่บ่วงยะขาตายกนี่นั่น เขาจะฆ่าแก่กินรับสืทำนงานว่านกนุ่งตัวนี้เป็นโพธิสัตว์จะงได้ปล่อยไปอันนี้ว่าจึงมาเป็นสูตรว่โอเทนจาอยางจ้าโกมาเอกาลาซานเมืองไทยเลยสูตรไทยเลยไปไหว้แขกคนนั่นองบัทินคนเขาเป็นนกนุ่งนะฮกเซสีสัตนะนั่นแต่เป็นสัตว์มีล่ะ เรื่องบริจักพุโธตโมสโครตายจา้าหนงงแล้วเป็นนกทั้งหลายตั้งแต่แห้งเผือกมาถึงกาเผือกจนเป็นนกคุมไฟนกคุมไฟธาตุโนวันเกิดขึ้นมาแล้วไฟไม่ป่าพ่อแม่หนีจังสูขรกราเฮเลโอตเปซามปันนาโซกาธรรมมาฮิตาสันตุ สปุริสัลโลกเทวคา ม, มาติปุจเรสติบคามาตาปิตาพ่อหนีเม็ดพอสวดอันนี้แล้วอากาสัตธาจารพุมมา ท, าทธาเทวนาคามิสิกาเทวดาทำน้ำฝนตกใสครจะดับไปเหตุนั้นเมื่อเป็นอรหันต์และจึงเอาทา่ามไวท้ท่าระคุมนี่หัว อ, อ, อ, อกด้วยหัวอกกำขวาซีดสองกำซ้ายซีดสองนี่ อันนี้จะมีเมืองไทยเลยนี่เมื่อได้3ภาษาแล้วกษัตระนำมาจวัดปุริมายากาปันนาคิริสเมงปัปพเตมหากเสเปียชาปิตังพุทธจ้าลังศิลสาามามัา ส, สามิมาไหวเมื่อสามื่อสาชาตุธนมชาติพระโอกกัมขวากับซ้ายนี่ลักพุทธมันเป็นอย่างนี้ ตาย้ะแล้วซัดสี่ขามีสามกระลดดตัดต่หนูเผือกซากหน้านี่นเนขาโดนลูกกระแซลนี่วางอุตรดิตกับพิศุโลกหลวงตาไปเห็นเขาหอยพุ่ น, นี่หอยนายพานไลา่าขนาเป็นซากเป็นนี่หมดเลยรั่นากเผือกซากสถานขนาดม่ใช่มีเมืองเขาเลยเมืองไทยเขเนี่ยซัดบมีขา เอียนเผือกปะดกเผือกนกดกเผือกเป็นนี่เรื่องอไรเรื่องบมีพุโทโธธมูสังขบมันเป็นกรรมของพระโพธิสัตว์คราวนี้เมื่อแก่กล้ามาแล้วจังมาได้พระพุทธเจ้ากกุสันโธโกนาคมกัตตปาโคตมะจึงมาพูดบาลมีไว้ ฐานะปรมีเวทชนตะระนาควจนจมพั์ทานลูกทานเมียทานช่างเขาไล่หนีไปอยู่ป่ปปาทานสาลีกันหาทานนางตายแล้วเกิดอีกศิลาปรมีจังหวัดเชียงใหม่อำเภอจมทองเป็นนาเผือก ตายแล้วเกิดอีกเด็กธรรมะปัญพมรอดเมื่อหลังกาไม่มีเมียตายแล้วเกิดอีกปัญญาปรมีมาโหสดุดอุเชษะมมีเมียมีลูกสี่ยิงสองใส่สองวิริยะปัญัยเงี่ยวมีลูกดังมนุษย์นี่ละลูกสี่คนขันสีแก้วใบได้เป็นพระจัพรดิ สัจจะปรมีงสุขโขทยัยอันนี้ก็บกมม่มีเมียอธิฐานปรมมั่อ่างว่ามีเมียเมตตาปรมมีมอนสงสารมีเมียอุปเทขาปรเมมิก บ, บิภัดนี่แหละหัวใจศาสนาฮัานนีจะพูดอีกพุทธกะกเปนะมโนเสยตางพุทธศาสนาติ พาพุทธเจ้ากัสสปะสร้างปรมีเจ็ดอาสงไขแสนมหากับเป็นอหรหันต์แล้วนี่ผ่านใจไว้าศาสนา4 0 0 0มืปีศูญยากลับไม่มีพุทธศาสนาไม่จะพามพามนั่นะขอโทษพามที่ถือวันทิศก็วันทิศดีถือวันจันทร์จะมาเถียงกัน พรามที่ถือทิศก็ด่าพรามที่ถือจันทร์พรามถือจันทร์ด่าอาคารด่าพุทธด่าพระจนหลอกกันวนนี้จังเป็นความขี้ปวดกันมานะนาวันทิศ ด, ดีวันจันทร์ดีอาคาร ด, ดีดีพระเทพไ่ได้ด่าแม่เขานะมันหาด่าพระเทพนะนี่ละมามีโอาหานีข้ามนึ่งสร้างแก้วขึ้นสู่ภาษารมน่ะคิดว่าอะ 2งค่ำฟังธรรมพี菩萨สามค่ำลังมุทาของกินสี่ค่ำตกปติตกแดดห้าค่ำถีเวดเล่าบงเอา6กค่ำเบิกไฟฆ่าเจ็ดค่ำคอยดึงาตุถึงตนแปดค่ำความโกลนิมากเก้าค่ำถูกเช่นน้ำสบค่ำหาเนื้อความนี้ไม่ได้1ิบเอ็ดค่ำที่ให้เกิดไปดี เสพสองคั่ไม่ไดีจักยาดเซบสามคั่มสเวลาสมภูเซบสี่คัของชตูภคะเสบห้าคั่ถูกแม่ไวหลวงเท่าเท่ากูตามทักใส่พู้บุหานของขอนคนรักได้บ้าเสียมันเป็นมาอย่างนี้ละพาเทพดวงเดียวนะเป็นเจ๊ซื่อนะครับวันเทพไปพล้กาบมาวันจันทร์กับพระเทนะ คำนึงกาเสตนะกามาที่สองมันจันพระจันอะไรนะพระอาทิตย์นะนันกาที่สมันอาคารอาคาอะไรพระอาทิตย์เอาตาเราดูซิทสื่อันพุดบม่พูดพระอาทิตย์นี่หละคำหนึ่งกอดทศสองกอดทศสามกอดทศสี่กอดทศอันนี้ลักพดการรักทำคำหนึ่งทศสองสันจันสามอาคารนั่นๆนี่ จันเขาไม่ใช่พระจญด้วยฮะอันคารเขาไป่ใช่คารอันนี้ละ่ะจะอะไรถือกันมาหลอกกันมานะ่ะจนทุกวันเนี่ยเกิดวันทิศเป็นอย่างนั้นวันจันเป็นอย่างนั้นไ่เป็นเนี่ยขอโทษถ้าเกิดวันทิศกับตาหูด้านปากถ้าเป็นผู้ชายคอยเสียกสถานถ้าไม่ยิงกับตาหูด้านปากหิ้วไหลสถานะคว้างเก่าเนี่ย กูตัวมึงมึงตัวกูดลอกตั้ตตาแเจ้าทุวนอันนี้แหละมันเป็นหลักหากินตับบินฟ้าอากาศมันเป็นมาจากนี้พระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นกรุงกุสินลายพันปีอายุยืนพระเจ้าจักรพรรดิเมตบุญแล้วลูกพระเจ้าโอกาลูกพระจักรพรรดิไซเซอรพระเจ้าโอกากระ มาตั้งป่าหินมะพาวมาตั้งกรงเทวดาเกิดเพืิดพันขึ้นขอโทษลืมมอบบ้านเมียงหเมียน้อยแม่หลวงเคียดหนีไปตั้งเมืองใหม่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะคันได้เมียสองสามเอาล่ะไปลักเล่นเมียน้อยนี่ล่ะอันนี้มานเป็นมาร์ทปูดเตอเตา เลือดยังดังอย่างนั้นชอบเมีน้อยมอบบ้านเมืองให้แม่น้อยแม่หลวงเพลิใจหนีออกกรุงเทพฯไปตั้งกับบิลพัฒนนั่นก บ, บิลพัฒน์นี่พุทธเจ้าของเราเสอ็สมบูรณ์พระสัตร์กับพระราลษสีแม่หลวงฮกแม่ไปเล่าอาการที่ผัวเอาบ้านเมืองให้แม่น้อยพระราษฎร์ประทานให้ พี่มาี่พัตตานี่พัตที่หนึ่งนะสาพัตที่สองก็น้ำบอพัตที่สามถึงปลาใสนี่ะอมาเทันพีมาดิพัตตานี่ยนะพัตตาหัวแจกนะขึ้นพัตตาเข้ากับพัตตาเส้นกับพัตตาพักกับพัตตาพัตตานี่เพ่นะ ตาเห็นก่อนแต่ตาบปเด็กกินมันพัดเล่นเลเอาเล่นกินได้นงเนี้ยมาเนี่พัดตานี่พะืาานะอนงกษัตรน่ะตาตใหญ่เนี่ยเอาเสื้อกับิลพัดขอโทษตั้งแต่วงพระเจ้าอ ก, กราชเป็นโคกัน8บืนพระเจ้าอยู่หัวไม่มีสอื่นปั๊บพระพุทธที่ยวไอเอาน้องสาวพี่อันแปดเบือนมันเป็นเหตุขึ้น พี่สาวใหญ่เป็นขี้ทูดแล้วเอาพรเช่งไว้ในปา่าให้มาผ่าน น, นไปคดุดหลุมฝังไว้มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเป็นขี้ทูดหนีไปตายไปอาศัยต้นกระเบ้าเป็นที่อยู่ภาษาพม่ากูลอกุลล้ อ, อไทยมะกระเบ้ากระเบาะ้เบานั่นไปกินมะกระเบ้าเลยหายกลางคืนมาเสือโค้งไปจกอินายนะห้องเสื้อเสือ แล้วเสียงคนมีเสียงตื่นเมื่อเช้ากลงไปเป็โคดนางก็เสือเสือไม่ใช่เสือหรอกฉันเป็นเจ้าโอ้ข้าเป็นขีดธุดโอ้เทีป็นธุดทุดไปอยู่ในการจะเอามาเป็นผัวเป็นเมียกันเกิดเมื่อเด็กเป็นสองสามผเมืองไปนั่นน่ะเกิดเป็นสามผองเมืองไปตั้งเต่นมานแปดหมืนพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโคกันมาไม่มีศาสนานี่ล่ะ ผู้ใดจะฆ่าซักก็ฆ่าฆ่าควายก็ฆ่าฆ่างัวก็ฆ่าวุ่นวิุวายรับกันเป็นเช่นน้อยนะตัวรบเหมือนเหมือนศาสนาเทกวาไหมกันฝรั่งเสือดฆาอังกฤษอังกฤษฆ่ากันเลยนะยังปลอดภัยแต่ไทยเขาปานน่นเกือบจะบบดีไงไทยเทกาไหร่ฮัล้ลเนี่ยเไหร่นั่นอันนี้พามพดบตรบถ้าวเรานีบุบพุกตายใ เดี๋ยวนี้อาศัยพุดธนะบรลบุร้ไลแปะไปแปะมาอันนี้ล่ะฆ่ากันเส้นน้นอยู่ทานี่เมือ่อตอนหมืหน่นละเมื่อพระเจ้าจะลงมาเกิดนะครับพมมาปาลิซัสเทวาข้ามหาพมลงมาเกิดเมืองกัมพิชพ ใส่สื้อพระเจ้าโซทูธนะพรมปะปโหิตาเทวานางพมลงมาเกิดใส่สื้อพระเจ้าสีมหามัญามหาพมมาเทวาตัวพระองค์ลงมาเกิดพ่อก็อพุตแม่ก็พูดพ่ะองค์ก็พูเข้าท้องแม่ ละดูฝนเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอดเดือนสิบสองเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกนั่นสิบเดือนนั่นเมื่อเข้าทองแม่นั่นนายฝันว่ลูกยายเป็นผู้ชายอุ้มหสร้างเผือกขีดส้างเผือกนั่นคัดสมาธิสอดกันส่วนพระอรหันตนะ เอาหน้าใส่กระดูกหลังของแม่ส่วนพุทธเจ้าคัตสมาธิช่อนกันเนี่ยเดือนหกเพิงวันพุธไปเชนดอกไม้ไปคล อ, อดลูกให้พญามหามาดเอาผ้าปูไม้ั่นพระนางเจ้ากษัเดจออกเป็นหน้าบัวลภาพระราษฎรเสด็จออกสเสดเ็จเจ่าจริน บาทไทยวาพระองค์เสด็จเจ้พระพนครขีบรถจะมาเสื่อนะในคัมภีมหาสีฐานาปะปรมีอ น, นิสงฆ์ทําฐานเป็นเบียดสตจระเป็นสารที่หนึ่งศีปลปรมีอ น, นิสงฆ์รักษาศินปุริทัศเป็นสารที่สองเนคข ม, มัพปรมีผรมรอดที่สามปัญญาปรมีที่สี่วิริยะที่ห้าขันติที่หก สัจจะพรลมิสิเจ็ดนี่ชาดีเจ็ดเก้าตีนมันเป็นมาอย่างนี้ละชาเจดเก79ตีนน่ะคุณนายตามยกมือขึ้นธรรมช า, าวนาการลวงอายามผาทันตาลูกยายบินได้ลูกยังไม่ได้เฮ่เฮยเฮ่ก็หอ น, นเฮ่ก็ เพรานั่นๆ น, น, น, น, น, น, นี่เสียงดังไปถึงก บ, บิลพัทพระเจ้าสุธุรนะให้อมาตมาอมาตมาสี่พันนั่งม่ให้ีมาแต่พระองค์ไ ม, ม่ได้มาพญามาหาหมาตก็ออุ้มเอาพระโูธิสัตว์ขึ้นเกียนลิกมีเมื่อวานนี่นแจ๊กเกาตไม่จะเขียนนะเสดีมาตัวยังมาหละาจปาติมาตัว ปลาใชยโยองโคชยโยโพธิมันเดปโมทิชญโยทายอินทคันาาานาใชโยใชโยนี่ความเหตุพระโพธิสัตว์ขั้นไปถึงพระราชบัณแล้วพระเจ้าสุตนะก็อุ้มเอาลูกขึ้นได้ในอุคคำมาเฮสีก็อุ้มเอาพระเมศเจ้าไปในอุคคม เกิดวันตายลูกก็ตายมทนาก็ตายตาก็ตายหูก็ตายหัวใจก็แตกใจคุณยายไม่แตกไปเป็นนางเทวดาอยู่ฝ้าน้งองสาวนางโคตรเมีเรื่องห้อยนางสีมหาปัญญาตายแล้ว พระเจ้าสุณนนะเอานางโคตมีเลี้ยงแล้วก็ได้ลูกสามคนผู้ชายหนึ่งแม่หญิงสองรักเสือมาใส่เสือเจ้าศีษัาเจ้าศิษฐาพระพุทธกาดาบทอรามาโคสมาแล้วก็พระเจ้าชุดตัไปไหว้พระลักเสก็ใส่นามว่าเจ้าศิษถะเจ้าศิษฐาเห็นไหมนี่รักเสืให้พนาม พรัสีเปนวัน่นคาถาเป็นว้เอธรรมเปรโพเทลตระนังปาิตังเอเตาานะาเนะสวัสดิหุนตุกาบลงเอธรรมเปรธรรมเมารตนังปณิตังเอเตาานะซาเนะสวัิหุนตุกาบลงที่สอง ทิทามปีสังเคระตะนังปนิตังเอเตนะสัตหุขุ ท, ทิสามมหาปุริสารคณาหนุภาเวนะอาศิตยานุภยังสนา น, นุภาเวนะนาวะกุตระธมานุภาเวนะสามัญญานิบูตโตอสัามุตโตถวายพระพรบอพิธภัตสุภารเจ้า พระราุตรพระองค์เจ้านี่ออกมวชเป็นนักสีโพธเทลสนั่งเป็นพระเจ้าหนึ่งมมนมีสองถ้าเชิดมีดวงเดียว้ายคนนี้ละจะเป็นพุธิเจ้า้ายพระ น, นั่ง้ายแหลมฝนตกในอากาศที่ในกระตอมย่อมไหลลงสมุดเที่สุด ยิ้งชาย้งหลายจะมาเป็นทิศของท่านแม่ยิ้งก็จะมาบวช ด, ด, ด้วยจาบวชได้นิ่ไอ้ถปเมื่อท่านเป็นพผิ้เจ้าแล้วจะเทศนาพระธรรมพระปรมาทุทธบัญญัติไอ้ถ้ำปีสั่งขีสาวกแปดสิบมี 80, มัทธาสานุภาพถวายพาระพรบพิษพลาสุาพรรณ มหาปุริสะฟ้าตทียนเป็นกงจับฟ้ามือเป็นด็กบวยอาศัยแตายา่ญนนาณนุพยัญชนะพระมะเมืม่อสร้างตินเด็กน้อยจะเรียนพยัญชนะอินเดียให้สำเร็จอักษรศาบ์เมื่อบวชแล้วจะเชินาพระเขียนพยัญชนะใส้ด้วยพระ อ, องค์เออักษรศาบ์ กอไก่แก้วขั้นแด้าหมวนใจกอไก่ผู้แดงนอนซาแขงอยู่บนตะไม้กอไก่ดำให้ขี้คำข้าวอกกอไก่เหลืองเชียงเมืองข้าวซอกคอไข่ไก่ผู้ใหญ่เขากินขอขวดหล้าขอขวดขอไข่ไก่ผู้ใหญ่เขากิน ขอใครเขานังานสาวไทยเขาสอบขอขวดเตาคนเท่าเท่ากินแหน่ละเม้าข้อควายงามทอาการแน่งแท่ข้อละขันตีดังมือเศ้า น, น่องูเฮากินเต่ากินปลาน่องูสากินก็กินเขียดซส้าสานเส้สู มัตตโกติอยู่ในขาสสั่งได้เมียไม่ห้างกด้สั่สามตัวสาวแม่ไม่ควายชาันเจ้าคนคาสาวในห้างสามสั่งเต็มบ้องห้างดอกปนานสาวหอยกระบะปานห้างดอกแกว้วแนวจะหาผู้ดีสาวจีสาวจอยข้ามหอยมาจังกระวาน ย่อผู้ยิงยิงผู้สร้อยกายเป็นบาปอินทุฟ้ามาเป็นลูกใหญ่พระอรหันต์ทั้งหลายเกิดเป็นยายเท่านั้นมีรัฐธรรมะนาวาโลอุตตรธมนานะภงนะจะเทศธรรมกัประการสามัญญาอินทโตอัตมาภาพเกิดเกินสมัยอัศุอัศุนั่งจตุกเสียดายหนอนน มนุษย์เกิดในศาสนาของท่านจะได้ทำเกอบประการนี่ละถาวาย พ, พระพรบอกพิพิลาสารสุภัตต์แต่พระโอกระนอนอยู่เพราะเป็นท่านลเล็กเดือนพุกเพลงวันพุธแรกดาขวัญอังเชิญไป น, นาไปไว้ที่ตุนในโพธิเงาไหวทั้งหลายบ่ายเงาไว้งาไหวที่ไว้พุ่งในบ่ายนี่โกกราบ ก, าบกาไ็ไหว พอเป็นทารถเด็กเรียนใหญ่ขึ้นทุกที่ทวโลกทตะวันไปเรียนวิชาเอจีอาจารย์หนึ่งทนูมาไหมฮันนี่พปัจจุบันนะวิชาที่นึ่งฮิตเลยเฟือเลยคือฮอตฮิตเยอะรมัดนั่นวิชาที่สองรถสเปนอเมริกาไม่กระเ วิซารี ici, ่เปแองมาแตงฝรั่งเศตวิซาร์ีสโซวียตสตอริอัสเซ่นวิซารดีหอังกฤษิริตวิาีหกเชียงคัเซกวิาี่เดอาตโตโยินนันวิารดจจุบันนและกลัปไปพระนคร อาเภสกังลาทาทนังให้เป็นพระเจ้าดุหัวอา น, นิสงฆ์ท่านณปัลมีท่านสรุได้อมัดแปดหมืนสีพ่พนพระองค์อา น, นิสงฆ์ท่านลูกสาวนา่งกัญหาออกบวชได้นา่งภิกขุนีสามแขนสี่หมื่นนั่นอานิสงฆ์ท่านอีหน่ายมาทีได้หกหมื่นสี่พันน น, นนี่อานิสงฆ์เียง่น ยีบาทตีได้ลูกคนหนึ่งนึกทีาท่าถ้กรรมฐานแบนเกิดขึ้นแล้วใกล้ไฟล้อนใกล้แม่อนเจ็แขนขาไฟกับดินงบุปเป้ากุลไทยเชียงใหม่ไฟกับเฝาบุปเป้ากุลลาวไฟกระมือบุปเป้ากุกนี่ไก่เห็นเข้าวสารไก่ไม่กินข้าวสารไข่งเาบบาเห็นสาวไมผพวกุมโก พุทธแนะนะละเป็นพุทธเป็นพันฐานะปัมญเป็นพุทธกิจใจนะสีระเป็นพุทธกิจใจนี่ล่ะจึงไปเห็นคุณนายนอนอยู่กับลูกลาหูลาหูนั่นลาคือพระทลาหูคือสงมลูกกป็น ล, ลาลหูนะอ๊แอ๊แอ๊กนน กินข้าอยู่กันเด้ไปหาลกนี่เจ้าลาหูลาหูท่านเรี้ยนนี่พระจันอยู่ฟ้าลาหูเข้ากับสมองแทกเนอกินข้าอยู่พ่อก็ไปแม่ก็ไปนี่ลาหูลาหูเช็ควันเหมือนกันนีแม่นั่นมันร้อกกันนะนี่ละซาบอธิบายลงมันยังไป่ได้มันจะได้ลงอ่ะเนี่ยไปดูดังมหิสีหกมูลสีพนาง นอนที่นั่นออกว่าจาวะปัญจคันธามารน า, านุสติขันห้าเนอนั่งก็งามเดินก็งามยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นอะไรก็ถูกใจสั่งนั่งเมื่อนอนหลับแล้วหาความสวยคุ ง, งามไม่ได้ค่ายๆสูไตยน้ำลายเต็มปากน้ำหมากเต็มคอเก้า ก, าก็ตาเต็มห ือตาเท่าเกตเตาเหม็นเคลแกปันเน่าผีตายน้ำลายเต็มปากเตาขี้คิ้นกาขากเคขัดสร้างครับเอามาแล้วมามนายสางนํามามาแล้วเคมากแก้วไปเถึงเหม่นน้ำเนินสลาตัดสารโดยดาบสีกรทใสว่าข้าพระเจ้าจะได้เป็นพระเจ้าโน้มผมขึ้นไป พระอินทาราเอาเดกอกบัวมาลับไปไหว้ใส่ทีธาตเกแียวจุลมณีนี่ละเมื่อพระมรรคพานแล้วพระอินทาราเอาเชี้ยวกำขวาไปไหว้กำซ้ายอยู่เมืองหลังกากำขวาอยู่ธาตเกแก้วนี่รักศาสนาเอามามามามากัะตายกันทานสนมีเตรียมเอา เชียบบ้านไปได้ในวันไปเลยว่าบรรจาวรวคีและขีถังห้ามาปัจญัยน์ตัววาดกินข้าวอยู่บ่เป็นพุติเจ้าตปคมเห็นคันห้าสี่สิบกวันความใจบังเกิดกินก่าวคาถาก็จําโลกอาคีโตวาอุทากาโตวา เบซาจัตวาคุมพันโดวาคุมพเดวคัคคโนวแปลเป็นภาษาไทยอะอักขีไฟข้าเหลือรพืพื่อนกล้เพื่นนั่นอักขีแต่ไฟลูกกาไฟตากาไฟหูกาอไ ฟ, ไฟลังเกไฟเราเกิดจากธาตุไฟคุณตาคุณยายหนอนั่นอุทะกัตโตเตรน้าลูกกาน้าตากาน้ำ ลราเกือจากน้ำหิ้นำควายนะพนะน้ำเสือโบราณไม่เกิดจากหีจากควายนะนี่ละ่ะเป็นศาสตรจะกรวาพ่อก่อผีแม่ก็ผีถ้าพ่อบวชแม่บวชไม่เกิดหนวดเกิดเขาเวลานี้ย้ายมาบวชนี่ละ่ะกุมภันโดวางกุมภันเบ ว, า, ว า, ากคอนวา องค์ที่หนึ่งหัวกระบกที่สองหางไถ ท, ที่สามคาดที่สี่มักก้าที่ห้ากเกียวเจ้านายกับเส้น อ, อุ้งเส้เอาอันนันนักโคนาคอมันเย้าเมื่อจะตายไก่หลายพันปลาหลายล้านถ้าองค์จิงเที่ยวหาอาหารรักเสือห้าด่าว่าเสือาาดละความเพียนเลียงหาอาหารเป็นพวกละโมก เทศก็บอกฟังเพราะเป็นโลกียาธรรมเถียงกันไปมาแต่กันรัดซื้อสังหะหนีไปอยู่เมืองพระราณาสีพระองค์ก็เดินตามแม่น้ำเนรันธราต้นไม้ท่เกิดนั้นพระองค์ลงจากสวรรค์ต้นไม้ก็เกิดเป็นภาษาธรรมไม่ยอมภาษาแกไม่ประแปดไม่รุ่งพี ภาษาเสใหม่ไม่สรุภาษาไทยไม่ใส่ภาษาเราไม่โพสต์น่ะไม่นั้นเกิดขึ้นแขกที่ถือผีที่สามเอาควายไปบูซาเอาแพะไปบูซาเอาเป็ดไปบูซาสมแขกที่ถือไม่้ อ, อินทพรมเข้าต้มเข้าหนมไปบูซานางสุสดนาลูกสาวเศรษฐีทำอาหารข้าวสี่สิบเกาก้อน ไต้บูชาจนไม่ผุธิรักนั่งโคติเต่งเห็นพระศิษฐ์ที่นั่นมานาโลโฮมิข้าเดียพี่อ้ายวพิพูสายท่านเป็นอะไรงาตัวหังคินิ้น้องสาวหรือคุณย า, า, า, ายอัตมาไม่ใช่พระอินเจ้าสีธาตุลูกพระเจ้าสุตนาะ งานในครูมาขอข้าวกินนั่นเรื่อยๆบินบา่าจนขอข้าวกินานางซุสดาถว า, ายข้าวสี่สเขา ก, ก้อนท้องค์ก็จัดตโลทาทั้งสีพระ ก, การจึงได้ตามความปรารถนาอยากไม่ลูกสี่คนผู้ชายสองม่หญิงสองจึงได้เสร็จสามีผู้ดีจึงได้ เทิดนั้นนางสุดาคระได้รตามความปฎถนาข้าท้าบริแขกกินข้าวอาหารปัจโยมะข้าปัจโยชนะปัจโยนั่นมาแป่เป็นภาษาไทยอาหารทั้งหลายเป็นสวรรค์ ม, มนุษย์ปลาถูตูเข้มข้าวนมต้มไก่ปลาข้าวใหญ่ถกควายปาเทโพูหญ่สดชัด บุข้าหมุมบังสันคเลสุกตโตรลูกคันสุกโตเอ็นสัญญาปิโยเอ็นศิตากัโพธหูกัโพธลูกดังกัโพธปากก่บโพธิกายกับใจนะเป็นโพธิเด้าวนั่นแล ะ, ะเจริญสารสี่หนึ่งโสดามัคสุรผลลูกเอ็น ที่สองสกิมมาคาผลรู้เองอนาคาอรหันตายโอปรันดอกบัวสีดอกดอกนิ่งโซดาดอกทองสักิลสกาดอก3อนาคาดอก4ี่อรหันต์กับดอกเลี้ยเข่าว่าเขาไม่ร้ายเชื่ออะไรนั่นม่นเป็น อ, อย่างนี้ละดอกบัวพ้นแล้วพ้นจากน้ำแล้วเมื่อขันไปใน่ผ่านได้ ดอกบัวปะทานพจมอยู่ในอาหารเต่า อ, อาหารป่าเต่า อ, อะไรเต่ลาลังโขนน่ะตายในเมืองมานเข้าหิมานมนะ่ะตายเมือเข้าหิมอ น, น่ะมันออกไม่ได้ละมันต้นมีพโพธิโ่ะไม่จะเข้าแต่หิ้เขาน่ะมันเป็นอย่างนี้วะบัตเสดานะแสดงให้รู้นะนี่วะถ้าเราฟอกใจบนไดคนหกึ่งนี่เราจะฟอกใจของเรา พธิโทรพธิโทรน่ะพ้นแล้วสาดความเกิดสลาไม่มีแล้วท่านี้เมื่อเวล า, าเสียงแล้วกอะออกซานมาสรานหกพรมเสพหกอ๋อสรานมี6กสั้นพรหมเสถ้าบาได้นิพพานได้สราน์6นี่ยไปตรงนรก เราจะเป็นเจะเทไหท้ามหามพม์ะมมาจารูกาทีปตูสามปฏิการนลีเทเสดโสมังขอพระคุธมธรรมจงเทศดทนมข้าพระออมาเทศดแล้วญาติโยมของญุงเป็นยักษ์เป็นมารพุทธิชาขาา้าอาว่าเทนังกลมมขอัญุงเสศเอมหาพม์กระชาคตจะเทศอยู่สี่ิห้าปีจะนิพพานไปบไรรติได้ ท้าหาพรมกลบหนีไปพระองค์ลุกจากซิ้นแล้วเห็นเจ้ารัสทงนห้าในเมืองพราณสีจะเป็นอหรหันต์ห้าไปเมืองพราณสีเอวามเมรุตังเอกังสมายังพระกวานพาลานเอหยางวีหา้าฤทิปัตตมเนวีคสิรห์ไปเชิงแล้วรัชทังหา้าล้างเตียบหาว่าพระศิษฐา ละความเพียรไม่กลับเหมือไรเมื่อพระองค์กระเสริฐเราลัทิสหขยอมปัญจวัคคีเลลัทธิสหยาเสียงเราถ้าเสียงเราจะมเทืจะตายเข้าหีอยู่ดีละนั่งดูในหีอยู่งยาเสียงนะถ้าเสียงป็ะเทศ คนนังยาว่ะอันยาสิอันยาสิข้าม่เที่ข้าม่เทียงาาเยงยนี่ยนะฟังนะจ๊งผูังซาลานา ง, งขาา้าซาไมตกรควาเป็นพุทธเจ้านี่ธรรมสาลานางข้งขาซาม่ภูกรรมควาเป็นธาธรรมสร้างข้าาม่ตากรรความระสง์น่น ทถติยำปโทูธังตากรรมไสเป็นพาะพเจ้าเจ้าทติยำปีสมังคะสาเมหูกรรมไเป็นผาธรรมทูติยำตีสั้งขังจะมูกกสรมไสสงโพ้นพระเจ้าพ่อสามพระเจ้าแม่สามยังสามนะฤาษีนั่นตาตีปทธังากาษีนั่นทั้งหารปีผูเจ้า ตาติย ป, ปิสบังลลนไยเป็นพาะธรรมตาติยเป็นปเยนนในกายในวัคเขเมื่อเจบาแลกจะเป็นอรหันนี่พาโซดามักโพธโทเป็นมักโซดาผลพโพธโออริยาบกคลเกิดจากโพธโทพาสาคิมักธรรมโอเป็นมักสกิสคาผลทรมโอเป็นอริยาโลกคลเกิดจากธรมอง อนาคามากักสร้างครัวเป็นหมกักอนาคาพ้สมุนอันยนบุคคลเกิจะสร้างครวอรหันตามักอุเบขาเป็นหมกักอรหันต์ตาอุเบข า, าอัานอนยนบุคคลก็จะอุเบขาลัทธิสัจธได้เป็นพระอรหันต์ท่าห า, ร า, ห า, าพระองค์นสำนเทียงวชระนั่นโซนาอะไรยนะพระสุนทนะนี่จบะบกปนังนะ เจตไม่ขาดซับเจตก็เป็นภัสโสดานั่นเจตาโนปัสสนาเจตไม่รักทรัพย์เจตกเป็นภัสโสดาเจตออกบวชไม่สีหีเจตก็เป็นโสดาค่ะไม่ยากอะไรน่ะแก่งแบบสดาไม่หนาเจตไม่ขาดรับเจตเป็นภัสโสดาไม่รักทรัพย์ภัสโสดาออกบวชไม่ยึดหีก็เป็นโสดาไม่คิดปอก็เป็นโสดา ไม่แค่เลาเสดายัางเวทเหี้ยไม่ใช่นะมันเป็นปลาศกศิกานั่นเท่านั้นละแข่งแต่เสด็นั่นเป็นอรหันต์เอาเสดาจมาขวงอะไรเนี่ยแต่คำเพลงพูดไปตามปัญหาความสอบใจมาพิได้มาหาเหตุผลเอ่ห์เพคะได้ฟังพุทโธเป็นอรหันต์นี่ยว่าเธอทั้งห้าพระ อ, องค์เนจงสอนปลาศกศิกาตามที่นี่ ชานาปารมีจุดสอนเรื่องทาทานศีาาละปารมีสอนรักษาสินห้าจะถาคตก็เสมงคลฤะบ้าแล้ว็หาอไปเอาวามเณรสุตังเอกังสมายังพระกว า, กววานวาสกาเหเมรุนแกรลทะอนิวปีเตนะนูคปนัสัมเย สมัยนั้นพวทีเจ้าจะได้ไปเมืองราชาคฤห์ไปถึงที่นั่นแล้วรับศีสามผีงอมตัน่อมท้องเหมือนเดียวกันออกภาวนาเสัยงอุระกษปะขยากษัตะเสสากษปะถ้าอุระดูที่นั่นพระประชันเด็อประเสริฐพระอุรกษปะกับศีระห้ารยบูชาไฟว่าเธอทำอย่างไร ยัเก่าวไว้บูชาไฟไปสวรรค์เอด้ดีแน้วไฟเป็นของร้อนดับไฟไปด้พ่านเป็นของเย็นโอ้ข้าบ่รู้อ้ะอย่างนั้นเธอจงรับนี่พู้ทางสารานาง้าสานีเอาใจรับเอาผาพู้ถาเจงทำบังสังคส า, านีเอาใจรับเอาผารม สังขงังเจริะสงฆ์ทุที่ยามปีผุทขันรับพาพุทธทุิยามปีรับประสามทุกที่ยังปะสง์ตาที่ยัมปีผุดขันตาที่ยัยงยยเก่าเก่าเข้าให้นะเวละมานี้ไม่ข้าสัตร์นีได้ที่พานเวละมานีไม่รักษัพนีได้ที่พานนะ เวลามันีออกบทไม่เย็ดหีนะคะนี่ก็เลยผ่านเะเวลมันี่มคิดวันจะผ่านกี่เหลนี่ผา น, นเป็นอหันตพันห้าร 1, องค์ห้ารยพอง น, นั่นไปขยาคสตาอีกนั่นพระองค์ก็ให้สิ้ชายใหญ่สอนอะขยากัส ป, ปากับมหาเอาที่ได้เป็นอราหาันแล้ว น, ลน้อมจรับม พอทางเอาใจหลับเอาผ่าภู่าเจ้าทำมังเส ก, กันอย่างที่อ้าย น, ะะะนายี่ยเวรามณีไม่ขัดนิพพานเวรามณีไมะ่ลับนิพพานเวรมะีทอใาจัยากหีเหมน็นนะนิพพานกันนั่นเข้าอยวดไปสิเลห์หัวใจหีไม่จะได้นิพพานจะได้นอีนั่นเป็นอย่างนั้นอีนี้เป็นอย่างนี้ไตหัวใจเน ไอ้แร่ข้าหืนทอใจออกจากเหงือกไปสิผาแต่เนี่ยธรรมะเรล้มมักสาวแรกไปหายน่นนี่ยเม่ได้เสกเไปสิผาได้นุ่งผ้าเหลืองเอาควายแร่ข้ขาหินในบ้านตัดควายออกอ่ะปัญญานี่ด้วยกันเราเป็คนโงนะ่ไงนี่ละได้ไพระอรหันห้าร้อยยางเล็ขยาคยปะโพธท์ธรรมับเอาผพธ ทำบงสงอย่างเดียว น, นะัวทางลาเอาผ่าพุทธเจา้าทำบางรัประทันคํามระสงอย่างเดียว น, นะเว่ามานีนะน้องไม่ขัดสัตว์นีนิพพานอยู่ที่ใจนะเวลามานีไม่รักสัตว์นีนิพพานอยู่ใจเวลามานีอย่าเตหีมหม้อยนิพพานอยู่ที่ใจเวลามาีอย่าขี้โตกนิพพานกินแล้วใช่ ได้เป็นอาารลขันพันห้าเอ็ดนี่ละ่ะมันได้พอาะใได้เพราะเราใชมาปวดตั้งเช็ดตีใจเล็ดหายหิวมันไปกันใจหัวมันกันมันเช็ดดีเทากันมาบาบมันเช็ดบมดีปล่อยให้มันไปเห็นควายเชดควายเห็นหมัวเช็ดหมัวนั่ น, น, นตกองด่ามันกันหักคอมันกันพ่อโทรมึงบอกพุทุสเจ้าไปเบนบารเอาละ่ะ ีนายคนนี้งามอย่างนนนายคูอย่างนี้เฮ้ยเพราะใจเราเองอ่ะไป่นดเขาไ่ได้ติก เ, เร